สัปดาห์ที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปอาตมาจะมอบหน้าที่การบรรยาย ให้พระเจริญเพราะอัตมาไม่สันทัดเรื่องสถานที่ผมคืนหน้าที่ให้ท่านนะครับท่านพระครูพูดกับญาติโยมแล้วจึงพูดกับพระมะคุเทศครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเกินกว่าปัญญาของผมจะเข้าใจผมต้องขออาราธนาหลวงพ่อช่วยนะครับพระเจริญขอความช่วยเหลือล่วงหน้า ตั้งแต่เป็นมัคคุเทศก์มาท่านยังไม่เคยบรรยายได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเท่าท่านพระครูแล้วก็ไม่เคยเห็นพระมัคคุเทศตรูปใดบรรยายได้อย่างนี้ท่านคิดว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการเจริญพระกรรมฐานให้มากขึ้นจะได้บรรยายได้เก่งเหมือนท่านสมพานวัดป่ามะม่วงคิดแย่งนี้แล้วจึงเริ่มการบรรยาย หลังจากทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ต, ตลอดเจวันในสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วในสัปดาห์ที่สองได้เสด็จไปประทับยืนด้านทิศอีสานทรงจ้องดูต้นมหาโพไม่กรพิพพระเนธที่นั้นเรียกว่าอนิมิสเจดีสัปดาห์ที่สทรงนิรมิต ท, ที่จงกรมขึ้นระหว่างกลางแห่งพระมหาโพและอนิมิสเจดี เสด็จจงกรมตลอดเจวันที่นั้นเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่สประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมปิดกณเรือนแก้วที่เทวดานิรมิตในทิศพายัพแห่งต้นมหาโพธิ์ที่นั้นเรียกว่ารัตนคระเจดีสัปดาห์ที่หประทับใต้ร่มไม้ใสชื่ออาชาปาลนิโครธ ส่งต่อปัญหาของพรามหุหุกาชาติแสดงสมณะและพรามที่แท้พร้อมทั้งธรรมะที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพรามสัปดาที่ขออนุญาตขัดจังหวะนะครับผมขอความกรุณาช่วยขยายความเรื่องพรามหุหุกาชาติด้วยครับโยมเสงียงอยากรู้รายละเอียดนิมนต์หลวงพ่อ ช่วยอธิบายให้ยมฟังด้วยครับพระมคุเทศโยนกลองมาที่สมภารวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจึงอธิบายว่าพรามหุหุกระชาิมีนิสัยชอบตวาดข่มขู่ผู้อื่นด้วยวาจาว่าหึะหได้มายังที่นั้นแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องพราม และธรรมะอันทมบุคคลให้เป็นพรามพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพรามผู้ใดที่บาปธรรมอันลอยเส้แล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขู่ผู้อื่นว่าหึเหเป็นคำหยาบและไม่มีกิเลสอันย้อมจิตให้ติดแน่นดุดน้ำฝาดมีตนสำรวมแล้วถึงที่สุด แห่งเวทแล้วมีพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วผู้นั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูในโลกแม้น้อยหนึ่งควรกล่าวได้ว่าตนเป็นพรามโดยธรรมอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่จ๊ะข้ออะไรแม่ชีป่วนถามขึ้น ด้วยหวังจะลองภูมิท่านพระครูถ้าเป็นพระสุตตันตปิฎกอยู่เล่มที่ย5สห้าข้อ21สอ็ถ้าเป็นพระวินัยปิฎกอยู่เล่มสข้อห้าสมภารวัดป่ามะม่วงตอบโดยได้รับการช่วยเหลือจากเห็นหนอแม่ชีปวนไม่รู้ว่าที่ท่านตอบนั้นถูกหรือผิด เพราะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกท่านพระครูรู้จึงย้อนถามว่าที่อาตมาตอบมานี้แม่ทีว่าถูกหรือผิดท่านว่าถูกแต่ถึงจะผิดท่านก็ไม่รู้เพราะฉันไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกที่ถามเพราะอยากจะลองผูมท่านแม่ทีตอบตามตรง คนที่จะลองภูมิคนอื่นตัวเองจะต้องรู้ด้วยไม่เช่นนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าที่เขาตอบมานั้นผิดหรือถูกท่านพระครูถือโอกาสสอนแม่ทีหนูอยากฟังพระมัคุเทศบรรยายต่อค่ะสัปดาห์ที่หกพระพุทธเจ้าประทับที่ไหนคะนางสาวสายใหญ่รักถามขึ้น พระเจริญจึงตอบว่าสัปดาห์ที่6ประทับใต้ต้นไม้จิกชื่อมุจจลินมีฝนตกมุจจลินทนคราชมวงขนดแผ่พังพ่านปกป้องพระองค์ทรงเปล่งอุทานแสดงความสุขที่แท้อันเกิดจากการไม่เบียดเบียนเป็นต้นสัปดาห์ที่7ประทับใต้ต้นไม้เกตชื่อราชายตนะพ่อค้าสองคนคือตปุษะและพัลิกะ ซึ่งเดินทางมาจากอุก ะ, ะชนบทได้เข้ามาถวายข้าวสตุก้อนสตุหงและได้แสดงตนเป็นปฐมอุบาสกถึงสารณะสองคือพุทธสารณะและธรรมสารณะทำไมไม่ถึงสังฆาสารณะด้วยครับทำไมถึงแค่สองอุบาสกหนุ่มที่หมายปองนางสาวสายใยรักถามบ้างเขาไม่รู้ดอกว่า ได้ปล่อยไก่ตัวเบืเริ่มออกไปเพราะในเวลานั้นมีสาระเพียงสองสังฆสาระยังไม่มีพระเจริญตอบแล้วจึงอธิบายต่ออีกว่าเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่เจ็ดจึงเสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอชปาระนิโครดอีกทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาท และนิพพานแล้วน้อมพระไทยที่จะไม่แสดงธรรมเป็นเหตุให้สหัมบดีพรมมากราบทูลอาราธนาและณนาที่นี้เช่นกันได้ทรงพระดําริเกี่ยวกับสติปทานสที่เป็นเอกายนมักและอินรีห้าอันมีอมะตะธรรมเป็นที่หมายเอกายนมักอินรีห้าและอมะตะธรรม คืออะไรคะโยมผ่องใสยอยากรู้นิมนต์หลวงพ่อวัดป่ามะม่วงช่วยอธิบายหน่อยครับผมไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่พระเจริญนิมนต์พระครูเจริญสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าเอกายนะมักแปลว่าทางอันเอกหรือทางสายเอก ซึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติอันประเสริฐที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดหมดทุกข์และบรรลุนิพพานได้แก่สติปัฏฐานสี่ดังพระพุทธวจนะมาในบาลีว่าอีกายโนอยังพิกเวมัคโคสั ต, ตานังวิสุทธิยา โสกะปริเทวานังสมติกะมายะทุกขโทมนัสสาหนังอัถังขมายะยายัตสะอธิขมายะนิพานัสสะสัจฉิกิริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาจากพระไตรปิฎกเล่มสิบและเล่มสิบสอง แม่ชีป่วนกำลังจะถามว่าข้ออะไรท่านพระครูรู้จึงชิงบอกเสก่อนว่าถ้าอยากรู้ว่าข้ออะไรให้ไปอ่านเองคืนบอกหมดก็จะไม่อ่านแล้วอินสี่ห้าคืออะไรคะโยมพ่องใสถามอีกอินสี่แปลว่าความเป็นใหญ่ สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตนหรือธรรมะที่เป็นเจ้าการในการทำหน้าที่อย่างหนึ่งหนึ่งอินรียหได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินรี์เป็นเจ้าการในการครอบงำเสียซึ่งธรรมะที่ตรงข้ามแต่ละอย่าง คือความไร้ศรัทธาความเกียจคร้านความประมาทความฟุง้งซ่านและความหลงงมงายตามลำดับแม่ชีความประมาทเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกับอะไรท่านถามแม่ชีป่วนไม่ทราบคะ่ะแม่ชีตอบตรงข้ามกับสติคะ่ะ นางสาวสายใรักตอบเมื่อเห็นว่าแม่ชีป่วนตอบไม่ได้แม่ชีวัยหกสิบจึงข้างค้นใส่หญิงสาวอายุคราวลูกความไร้ศรัทธาเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกับศรัทธาความเกียจครั้นเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกับวิริยะความฟุง้งฟ้านเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกับสมาธิ และความหลงงมงายเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกับปัญญาครับโยมเสง์ช่วยตอบส่วนที่เหลือแม่ชีป่วนจึงหันไปคว้างค้อนใส่โยมเสง์อีกคนหนึ่งหลวงพ่อคะฉันฟังหลวงพ่อบรรยายรู้สึกว่าปัญญาจะเกิดบ้างแล้วหลวงพ่ออธิบายเอกย น, นะมรกกับอินรียห้าทำให้ฉันหาคำตอบได้ว่า อมตะธรรมคืออะไรโยมผ่องใสพูดด้วยเสียงใสอย่างที่ไม่เคยใสมาก่อนโยมหาคําตอบได้ว่าอย่างไรอรมตะธรรมคืออะไรท่านพระครูถามคือนิพพานค่ะอมตะธรรมแปลว่าธรรมะที่ไม่ตายซึ่งก็คือนิพพานเพราะนิพพาน เป็นธรรมะที่ไม่ตายค่ะเก่งมากอาตมาขอชมเชยเอรู้สึกว่ามีแต่โยมที่ถามแสดงว่าพระท่านเข้าใจดีจึงไม่ถามพระทวัตรรีบตอบว่าถึงเข้าใจไม่ดีก็ไม่กล้าถามครับเพราะกลัวจะอายโยมผมรู้สึกว่าโยมที่มาคณะนี้เก่งกันทุกคน เล่นเอาพระอย่างพวกผมต้องอายไปตามๆกันหรือท่านคุณทศกับท่านรสสุคนว่าอย่างไรท่านถามเพื่อนบันพชิตอีกสองรูปผมเห็นด้วยยงคณะนี้เก่งกันทุกคนอย่างที่ท่านทวัดว่าผมรู้สึกอายเสียแล้วกลับไปเห็นจะต้องเล่าเรียนศึกษาให้มากกว่านี้จะได้มีอาโยมพระคุณทศพูดเดี๋ยวนี้ญาติโยมเก่งเรื่องธรรมะ เก่งกว่าพระเสียอีกพระรสุคนเสริมท่านพระครูจึงพูดความจริงตามที่เห็นว่าท่านฟังผมพูดนะผมไม่ใช่หมอดูแต่ผมขอทำนายว่าในอนาคตคฤหัสจะรู้ธรรมะมากกว่าบรรพชิตเพราะบรรพชิตพากันไปรู้เรื่องทางโลกมากกว่าที่จะศึกษาทางธรรม จนกลายเป็นว่าถ้าอยากรู้เรื่องทางโลกให้ไปถามพระถ้าอยากรู้เรื่องธรรมะให้ไปถามโยมท่านคอยดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนหลวงพ่อวัดดอนเมืองรีบสนับสนุน เอลเมื่อได้ข้อสรุปแล้วทิ่นี้ผมก็จะถามมังคุเทศว่าในพุทธประวัติที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าสเสวยวิวมุตติสุขเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์นั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่และตรงกับในอัถกถาหรือไม่พระครูเจริญถามพระเจริญ ผมจำไม่ได้ครับว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่จําได้แต่ว่าไม่ตรงกับในอัถกถาเพราะในพระไตรปิฎ ก, กกล่าวถึงเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่หนึ่งและสัปดาห์ที่5ถึง7ส่วนเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่2อถึงสนั้นเป็นส่วนที่พระอัธกถาจาร์กล่าวแทรกเข้ามาถูกแล้วเหตุการณ์ตอนเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู้ ปรากฏในมหาวัคแห่งพระวินัยปิดกซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ส่วนเรื่องดำริถึงสติปัฏฐานและอินทร์มาในสังยุตตนิกายมหาวารวัคซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่19แม่ทีไปอ่านเซ้นนะจะได้ไม่ต้องถามว่าข้อที่เท่าไหร่ ท่านรีบบอกแม่ชีป่วนเสียก่อนที่จะถูกถามฉันไม่มีเวลาหรอกจ้ะหลวงพ่อแล้วมีเวลาทำอะไรบ้างละ่ะหรือว่าเอาเวลาไปเดินจงกรมและนั่งกำหนดพองหนอยุคหนอเรื่องปฏิบัติฉันก็ไม่มีเวลาอีกนั่นแหละแม่ชีสารภาพ ถ้าอย่างนั้นก็บอกอาตมาสิว่าแม่ชีมาอยู่ที่นี่ทำอะไรบ้างท่านก่อทำอาหารถวายพระพอตกบ่ายก็จะมาสวดมนต์ที่นี่ท่านสวดมนต์เก่งนะยอดพระกันไตรปิฎกฉันก็สวดได้แม่ชีอวดแต่ไม่มีเวลาปฏิบัติก็ไหนว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ แม่หลวงพ่อลูกศิษย์ก็ต้องมีดีบ้างเก๊บะางฉันเป็นพวกเก๊จะ้ะลูกศิษย์ของหลวงพ่อดีหมดทุกคนหรือเปล่าล่ะจะ๊ะแม่ชีย้อนถามไม่หมดที่ดีมีน้อยแต่ที่เก๊ยอย่างแม่ชีมีเยอะท่านพระครูตอบพระมคุฏเทศเห็นว่าท่านพระครูกับแม่ชีป่วน คงจะถกเถียงกันอีกนานจึงพูดตัดบทว่าเอาละวันนี้เราก็ได้หาความรู้กันพอสมควรแล้วทีนี้เราก็จะไปทัศนศึกษากันทางฝั่งโน้นของแม่น้ำเนรัญช า, าจะต้องเดินลุยข้ามแม่น้ำไปรถจะไปส่งจุดที่ใกล้ที่สุดจากนั้นเราก็จะลงจากรถและเดินลุยข้ามแม่น้ำเนรัญช า, าไปบ้านพระหนางสุชาดา ซึ่งอยู่หมู่บ้านเสนา น, นิคมพระนางสุชาดาคือที่ดานายบ้านที่ถวายข้าวมาัทุปายาตเจ้าชายสิทธัตถะในวันตรัสรู้ท่านพระครูรู้สึกแปลกหูกับคำว่าพระนางสุชาดาเพราะในพุทธประวัติมีกล่าวถึงนางสุชาดาไม่มีคําว่าพระไปกันเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะโยมองใสาถามขึ้น เดี๋ยวนี้เลยกราบต้นมหาโพธิ์แล้วไปกราบลงพ่อเมตตาจากนั้นก็เดินไปขึ้นรถบสัสอาตมาขอเตือนว่าเมื่อไปถึงชายฝั่งแม่น้ำให้เดินอย่างระมัดระวังประเดี๋ยวจะไปเหยียบกับระเบิดแขกเข้ามีกับระเบิดด้วยหรือครับอุบาสกหนุม่มถามด้วยเกรงจะไม่ปลอดภัยในชีวิตขี้แขกนะคุณ ไม่ใช่ระเบิดจริงๆหรอกพวกแขกมันมานั่งขี้อยู่ริมแม่น้ำถ้าเดินไม่ระมัดระวังจะไปเหยียบเข้าแม่ชีปวนอธิบายในฐานะคนในพื้นที่อย่างนั้นห ร, อหรือครับผมคิดว่าเป็นระเบิดจริงๆผมมาสแสวงบุญนะครับไม่ได้มารกทับจับสึกพูดแบบห่วงอะไรในชีวิต ไม่ต้องกลัวหอกโยมเรามาอยู่ในพุทธภูมิคือในดินแดนของพระพุทธเจ้าพระพุทธานุภาพย่อมคุ้มครองแต่ถ้าเรามีกรรมที่จะต้องมาตายณที่นี้กดถือซสีว่าดีกว่าไปตายที่อื่นท่านพระครูพูดปลอบให้เขาหายกลัว เมื่อกราบหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีย์แล้วคณะผู้สแสวงบุญก็พากันเดินไปขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่โชเฟอร์ออกรถแบบไม่เร่งร้อนรถวิ่งผ่านร้านขายของซึ่งเป็นคูหาเล็กๆเกจ้าของร้านนั่งยองๆ อ, อยู่หน้าร้านอย่างหงอยเหงาเพราะขายไม่ค่อยดีโยมเสงแอบสังเกตว่าคนขายของ มีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเลยแม่ชีคะทำไมแขกเขาชอบนั่งทับแตงโมนางสาวสายใหญ่รักถามแม่ชีป่วนหนูรู้ได้อย่างไรแม่ชีถามคำถามที่หญิงสาวถามก็เหมือนกับที่แม่ชีเคยถามพระเมื่อตอนมาอินเดียใหม่ๆ ก็หนูเห็นลูกกลมๆ ม, มันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาก็เอาโสร่งปิดไว้หญิงสาวอธิบายตามภาพที่เห็นแม่ชีป่วนตอบด้วยเสียงที่ได้ยินกันทั้งรถว่าไม่ใช่แตงโมงแตงโมอะไรรอ้อนั่นมันห่อแขกพวกแขกห่อมันโตเวลานั่งเลยป่องออกมาดูเผลนๆ เ, เ, เหมือนนั่งทับแตงโม เสียงคนฟังพากันหัวเราะคิกคักทั้งพระทั้งโยงอะไรอีกล่ะแม่ทีไปยุ่งอะไรกับของแขกพระมะคุเทศถามยิ้มยมิฉันไม่ได้ยุ่งหนูนี่้็ถามฉันว่าทำไมแขกเขาชอบนั่งทับแตงโมฉันก็เลยต้องอธิบายให้เขาฟังตอนฉันมาอินเดียใหม่ๆก็สงสัยแบบเดียวกันนี้ เคยถามมาหาหนุ่มรูปหนึ่งที่เป็นมักขุดเหตุท่านกอดหน้าแดงเลยแล้วท่านตอบหรือเปล่าท่านไม่ยอมตอบท่านบอกว่าว่าโยมอยู่ไปนานๆก็จะรู้เองที่นี่พอฉันเห็นเจ้าทุกโขฉันก็เลยรู้ว่านั่นไม่ใช่แตงโมผู้ชายแขกเมืองนี้ไม่เวรมีกรรมนะมีกรรม ที่ห้ำโตไปไหนก็ต้องแบกไปขนาดนั้นจวหรือแม่ชีไม่ได้พูดเกินความจริงนะอุบาสกหนุ่มไม่อยากจะเชื่อถ้าพูดเกินความจริงท่านก็มมสาน่ะสิฉันเป็นชีถือศีลแปดจะมุสาได้อย่างไรนั่นคุณเห็นไหมที่ตากอยู่นั่นนะ่ะนั่นแหละคือกลางเก่งหนแขก แม่ชีชี้ไปที่ผ้าสามเหลี่ยมมีสายยาวประมาณหนึ่งเมตรมุมละสายแล้วอธิบายต่อว่าพวกแขกมันชอบตากกางเกงในไว้หน้าบ้านไม่รู้มันมีเคล็ดอะไรผมยังนึกไม่ออกเลยว่าผ้าสามเหลี่ยมนั่นจะเป็นกางเกงในได้อย่างไรได้สิคุณเวลามันนุ่ง แต่ให้เวลามากกว่ากางเกงในที่เราเห็นเห็นกันแม่ชีไปเห็นขอนุ่งตอนไหนเป็นทีแอบไปดูขอนุ่งกางเกงในไม่อาบัตหรืออุมาสกหนุ่มพูดเสียงติเตียนจะอาบัดได้อย่างไรฉันเป็นชีถือศีลแค่แปดขอ้อไม่ได้เป็นพระจะได้อาบัติเพราะพระถือศีลสองร้ข้อ แม่ชีกล่าวแก้แล้วแม่ชีไปเห็นแขกใส่กางเกงในตอนไหนหละ่ะตอนไปแม่น้ำคงคาเทศกาลอาบน้ำล้างบาปพวกฮินดูจะไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแขกเขาหนุ่งสารีไม่มีกางเกงในที่ไม่มีเพราะเขาจะได้ฉีได้สะ ด, ดวก ผู้หญิงแขกเขายืนถี่นะไม่ได้นั่งทีเหมือนผู้หญิงไทยขนาดมาอาบน้ำล้างบาปเขาก็ยืนที่ลงในแม่น้ำนั่นแหละไม่ชี้รู้ได้อย่างไรว่าเขาฉี่ก็สารีมันบางเวลาเปียกน้ำเห็นหมดเลยคือเห็นสายน้ํามันไหลลงมาดแล้วเขาก็วักน้ำตรงที่ที่ลงไป มาล้างหน้าบ่วนปากฉันเห็นแล้วจะอ้วกแล้วพวกผู้ชายล่ะผู้ชายก็แก่ผ้าเลยเขาจะวางกางเกงในไว้ที่ริมฝั่งให้ผลัดกันเฝ้าคืนไม่เฝ้าก็ถูกขมโมยเพราะพวกแขกที่จนๆนั้นจะไม่มีเงินซื้อกางเกงในอย่างเจ้าทุกโขนะ มันจนขนาดไม่มีเงินซื้อกางเกงในแต่มีเงินซื้อเหล้าเวลามันตัดยากดจะเอาผ้าไว้บนก่อนอิดจะได้ไม่หนักท่านเห็นแล้วรู้สึกทุเรทุรังที่นี้วิธีหนุ่งกางเกงในของพวกแขกเขากดจะเอาส่วนที่เป็นผ้าพันไว้แล้วเอาส่วนที่เป็นสายนั้นคล้องคอ ฉันถึงบอกว่าพวกผู้ชายแขกมีเวรกรรมไปไหนก็ต้องแบกไปด้วยแม่ชีปวนเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านพบเมื่อรถมาถึงริมฝั่งคณะผู้สแสวงบุญก็ลงเดินพระมคุเทศก็ย้ำว่าเดินดีๆนะครับเพราะคุณเจ้าญาติโยมก็เดินดีๆอย่าไปเหยียบกับระเบิดแขกเข้า บรรพชิตและขรือหัดพากันเดินอย่างระมัดระวังท่านพระครูกําหนดขวาซ้ายทุกย่างก้าวและท่านก็ได้รับอานิสงของการเดินจงกรมที่ไม่มีบอกไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวคือในปัญจกะนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22เได้กล่าวถึงอานิสงของการเดินจงกรมไว้ห้าประการคือหนึ่ง อดทนต่อการเดินทางไกลสองอดทนต่อความเพียรสามมีอาพาธน้อยสี่อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยไปด้วยดีและห้าสมาธิที่ได้ในขณะจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานแต่อานิสงส์ที่ท่านพระครูได้จากจงกรมไม่มีในพระไตรปิฎก นั่นคือทุกย่างก้าวที่ท่านเหยียบย่างท่านรู้ได้ว่าตรงไหนมีอุจจระแขกที่เอาสายทับไว้ท่านก็จะเลี่ยงไม่ไปเหยียบเข้านี่คืออนิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมซึ่งไม่มีในพระไตรปิฎกการปฏิบัติตามคำทรงสอนของพระบรมศาสดาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกเมื่อ ตายแล้วฉ่านเหยียบขี่แขกเขาแล้วเสียงแม่ทีปวนร้องขึ้นไปล้างในแม่น้ำสิพระมคุเทศแนะนำเรื่องอะไรท่านจะล้างทิ้งรองเท้าง่ายกว่าว่าแล้วก็สลัดรองเท้าฟองน้ำทิ้งไปประเดี๋ยวเหยียบอีกทีนี้ก็เปื้อนเท้าเนะสิ พระเจริญทวงเปื่อนฉันข่อยล้างล้างเท้าง่ายกว่าล้างรองเท้าแม่ทียังคงยืนยันที่จะไม่ล้างรองเท้าเมื่อคะณะผู้ปฏิบัติธรรมเดินไปถึงหมู่บ้านนางสุชาดาบรรดาเด็กๆ ก, ก็พากันมารุมล้อมของเงินพระมะคุเทศกำชับญาติโยมว่าให้ใจแข็ง เกิดให้คนหนึ่งก็จะมารุมถึงกันเป็นร้อยๆท่านพระครูรู้สึกสงสารพวกเขาหากก็ต้องทำตามที่พระมกุเทศแนะนำจึงได้แต่แผ่เมตตาในใจให้พวกเขามีความสุขอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าพยาบาเบีดเบียนกันอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น พระมะคุเทศบรรยายเรื่องราวของนางสุชาดาผิดไปจากพระไตรปิฎกและอฐัฐกถาเช่นบรรยายว่านางถวายข้าวมัทุปายาตแด่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้ซึ่งบำเพ็ญทุกขะกิริยาอดอาหารมาถึงหปีเรียกนางสุชาดาว่าพระนางสุชาดาและสํำร้ายไปกว่านั้น ยังบอกอีกว่าพระนางสุชาดาได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เพราะอานิสงส์ที่ได้จากการถวายข้าวมัทุปายาธท่านจะต้องหาโอกาสทำความเข้าใจกับพระมะคุเทศและการบรรยายธรรมให้ความรู้แก่ญาติโยมหรือบรรพชิตถือว่าได้บุญมากแต่ถ้าให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ก็ถือว่าบาปมากเช่นกัน